พอจุดไม่คิดลมพัดดับจุดไม่คิดลมพัดดับแต่ว่าเราต้องเพียรทําอย่าง ไม่จําเป็นต้องสวนหามนุษย์คนที่มีสุขภาพทางกาย จะผูกมัดกับผู้ชายก็ตามเป็นมนุษย์สมบูรณ์ชนนี้แล้วนะคือเรามีหัวใจที่พร้อมที่จะที่ซ่อน <c oughs> ยากมากนั่นหมายความว่าเมื่อมีแล้วมันมีภาวะที่พร้อม คือต้องก้าวเกินไปที่เป็นคนเหนือคนเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ๆจากความโลโมบ้าง กับการเป็นสิ่งที่ต้องหากันอย่างดุนแรงเพราะว่าก็ว่า คนที่ค้นหาความสุขจํานวนมากนั้นก็เพราะว่าในหัวใจเต็ม วันนี้เรากำลังมาปฏิบัติครับปฏิบัติผมพูดคําว่าปฏิบัติเมื่อเครื่องล้างคือคือจริงๆแล้วมันคําปฏิบัตินี้มันมันเป็นคําพูด พูดกับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนเถอะลูกโตหน่อยกูจะใครสักใคร <c oughs> <c oughs> มีคําตอบแค่นี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่อีก เพราะว่าเมื่อที่ที่เรารู้สึกตัวได้ให้รู้สึกตัวมันปฏิบัติอยู่แล้วเข้า นี่คือกุญแจที่เกิดขึ้นจริงนะครับจัดรถทัวทอดกฐินไปนนทเชียงรายนะครับจะไปปฏิบัติธรรมทั้ง ทิงมั้ยฟังออกมั้ยครับที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสถานที่ ที่ที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดก็คือที่และเวลาที่เรารู้สึกเดี๋ยววิ่งกลับไปที่วัดจะได้ปฏิบัติอย่างนี้อย่าง เมื่อขะมาติดกายที่เวทนาที่จิตแล้วเนี่ย ผมผมเริ่มมีกำังวังใจขึ้นบ้างตอนบ่ายๆหันไปดู แล้วก็มาอีกทีพรุ่งนี้เช้าอย่างนี้ยังไม่ น้ำทุกหยดนะครับก็คือน้ำเท่าเตรียมงานแต่เมื่อมัน ผม pistol 0 เป aunque pung pung pung si dungerks 1 ก็ว่ czego od say i OW group ความส ini between shti год smaði between the intellectual and mental smathi remain the problem for shti ซึ่งตอน we put what the material field��� stratified 1. That bodyinvested for certain things Because human knowledge it's the purpose of this besides making the is not aware This is just แต่สติละเวรไม่ได้ครับผมได้ยินกับผู้เฒ่าแต่สติละเวรไม่ได้เหมือนเรามีสติ สติเป็นดุจธำนบเป็นหลักที่กําหนดรู้ว่าเนี่ยสตินี้รวมตัวขึ้นต่อรวมตัวขึ้นมัน จิตเริ่มไม่หมุนซับไปทางนี้สายไปทางนี้มันเริ่มตั้งกันในตัวของแต่ก็ แต่ละไม่ได้ครับแต่จากสมาธิอันเนี้ยมันจะไปเห็นรูปปัญญาครับถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะ ที่ฝังเรนอยู่ในสนามกมลรัตนารามไม่ได้นะครับทุกชวนใหม่นะๆไหลมาจ๊อกๆๆๆกว่านี้ครับเอาพักเรื่องอื่นก่อนเรื่องที่ผมพูดๆไหล มันมันรวมตัวกันที่วังน้ำนะนั่นเรียกว่าสมาธิที่มันรวมตัวเป็นห้วงน้ําใหญ่คนๆนะครับๆผมจะเปรียบๆครับซึ่งเมื่อเข้าน้ําขัง อย่างเงี้ยมันก็จํานองขึ้นดังนั้นความรู้สึกที่หดหู่หมองมอง ที่ที่ที่ทําทําความสะอาดตัวเองได้พอเราเปิดๆในหนองใหญ่ของทะเลเข้าทางนะครับในสุดวงจรใหญ่จะค่อยๆชําระให้วงจรเล็กๆสะอาดกระจายไปหมดวงจรคือระบบที่เรารู้จักในน้ํา right to right on มันเป็นระบบที่กว้างครอบคลุมไปเราเห็นก็มันถูกเผื่อยไปทุกๆทุกๆวันนะฮะก็เห็นมานานแต่ที่ๆใน เรารู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวกว้างๆขึ้นมาไอ้ธรรมชาติเล็กๆในตัว ทาสีบ้านทั้งข้างนอกข้างในทั้งเผาสะอาดแล้วปิดล็อกก็เลยเค้าก็เลยทาลือให้นั่น ณการที่จะเจริญสติจนถึงระดับสมาธิหนึ่งที่จริงไม่ไม่ใช่อาศัยกรรม ต่อให้ลมพัดข้างนอกโอ้เลยก็ไม่ๆครับผมเคยนั่ง ก็ก็คุณมีตำแหน่งนึงนี้ยังคุยกันเล่นคันนี้เหรอบางทีผมมานั่งคุยกับเพื่อนพวกก็ไม่รู้เรื่องครับมันพูดเรื่องรถยนต์มันผมไม่รู้เรื่องเลยยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนมันมันรู้ละเอียดมากรุ่นนั้นเพิ่งออกนั้นเราฟังกับเพลินเหมือนคนอ่านหนังสือสวดให้ฟังมันหมดเป็นอยู่อย่างนี้มันจะรู้จักกายรู้จักจิตรู้จักรูปรู้ เชื่อยี่ห้อใหม่ๆออกมารู้เท่านั้นเลยพอรู้แค่นั้นน่ะเป็นเป็นปัญหา เช่นปาณาติปาณาไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าจะดีแล้วจะรักษาศีลอะไรอยู่จริงมั้ยที่ ศีลที่ไม่เกี่ยวกับสังคมศีลที่เกี่ยวกับสังคมคือกฎ นี่เป็นเรื่องทางสังคมศีล 5 ศีลแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่เหมือนดัง ถึงจําเป็นนี้ต้องดื่มมันก็ดื่มพอประมาณเช่นใช้ผสมยาจริงๆพระ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 แต่คนขาดสติเนี่ยมันจะมันจะไม่มีขั้นตอนครับ หลักพ่อมากก็พ่อเอาใจนั่นเสื้อเสื้อตัวจะตรองดูนะครับเด็กคนนี้ค่อย มีแต่ช่างทอช่างฟอกช่างซักช่างเย็บช่างตัดช่างรังถักรังว่าโอ๊ยพ่อๆเลยเนรมีอะไรได้แต่ถ้า มุ่งวงผลมากกว่าการสร้างเหตุคืออะไรครับแล้วนั้น ตัวครอบหนึ่งคุณนัดเพื่อนที่รักกันมานะครับจะไปดูหนังรอ 16:00 น. แล้วคงก็ไปนั่งรออยู่ว่าพอใกล้ 19:00 หรือว่าทิ้งหนังนั่งรอ ได้ครับทีนี้ความงมงายในความรู้สึกคืออะไรครับก็มาทําไมแกไม่มานะทําไมไม่โผล่ออกมานั่นหนังแต่เราลืมนึกว่าเพื่อนจะมาแต่เมื่อใจมั้ย ชีวิตนี้ก็โผล่เปรี้ยงขึ้นมาเลยจะได้ดูหนังทําจริงๆการมีโซลูชั่นของมันคือกว่าจะกําลังเดินมาอย่างไร้เหตุผลจริงมั้ยจริงมั้ยครับสงสัยเคย ล้ําทูลวนดูลาแล้วโมโหเพื่อนด้วยเค้ามาแล้วยังนั่ง คุณนังรอไม่มาเราจะตัดสินใจไม่ต้องดูก็ได้หนังรอเพื่อนสั่งกาแฟถ้วยใหม่มานั่งกันดึกเท้ารอเล่นเดี๋ยวเค้าก็มา เราเคลื่อนมืออย่างนี้นะๆทั้งสิ้นครับเพราะเรากําลังสร้างเหตุเข้าใจมั้ย เพียรที่จะปฏิบัติอยู่อย่างนี้ท่านที่จะนั่งนึกเมื่อไหร่น้อมันจะหลุดพ้นเมื่อไหร่จะได้สมาธิถ้าคืนคิดอย่างนี้ ยอดศิลปะแห่งการรอคอยที่สูงสุดก็คือ thing permanent food เล่นนะมันมีหน้ามุมชั่วเมื่อเราคอยด้วยใจกระวนๆวายแต่ พอลัวตัวเองต้องตานี่เกิดกระวนกระวายขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้วิธีรอรอคอยความตายความ ตอนว่าจะเป็นกลางคืนนะเพื่อนก็บอกว่าเดินไปทีละก้าวเดี๋ยวก็เอที่สวนม่วงที่หลวงพ่อสว่างตายไปแล้วทีแรกชวนบอก 80 ไปนี่ต้องมาผมชวนไปเดิน จะให้คงวงค์ๆครับทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่จิตใจไม่ต้องพวงยิ่งๆ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับในสุขภาพวามันหนึ่งพบว่าตัวเองมีสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเข้าใจมั้ยครับแต่ถ้ามีโดยรู้สึกว่ามีนั้นคือความยึดถือภาษาภาคใต้เค้าเรียกว่ามะพร้าวตื่นดกเศรษฐีพึ่งผุดเค้าว่าอย่างงี้คือๆครับ <c oughs> <c oughs> เขาก็ยังมีชีวิตเหมือนกับสมัยยากจนสิบปีก่อนผมเคย มีแล้วอ๋อดังนั้นเราเรามาเรียนรู้ศิลปะ 17 เมื่อ 5 ปี เมื่อหวังที่จะกล้านึกได้ 22 นั้นอยากจะให้มันเป็น 17 มั้ยตั้งใจเป็นมาเองเออมันเป็นมาเรื่อยๆครับหยุดมันก็ไม่ได้ดังนั้นอายุนี่มัน 50 มันเป็นมันเองเข้าใจมั้ยครับดังนั้นศิลปะการล่อคอยนั้นที่ดีที่สุดเคล้าไม่คอยนั้นคือปล่อยให้มันๆเลยระวังปล่อยให้มันเป็นไปเองคือวันแล้วก็ในส่วนก็รู้ธรรมะเองเอ้าคิดเอาอย่างนั้นเลียวปล่อย <laughs> เอ่อเนนเค้าเดินตามหลังผมอยู่เงี้ยไอ้ผมแปลกใจมา คงกระเด็นว่าการสูบบุหรี่นี่มันทำลายทุกอย่างเค้าย้อนผมว่าอาจารย์เคยสอนผมว่าให้ทำตามธรรมชาติก็อย่างนั้นก็บอกผมธรรมชาติคือชอบสูบบุหรี่ผมเลยพูดไม่ออกคือแกแกอ้างชนิดนี้แล้วมันไม่มันไม่ต้องพูดกันแล้วผมเลยพูดนิดเดียวพอท้องๆ ธรรมชาตินี่เป็นไปเองนะครับร่างกายจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติหน่อไผ่ก็แทงหนองมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาฝนก็ตกฟ้าธรรมชาติจ้ะ 국민 just, un mal seg heaven. Les filhoers Jungmann diz,